เรื่องสัทธิวิหาริกของพระธันหิกะกรุงสาคละหนึ่งเรื่องหนึ่งร้อสมัยนั้นภิกษุสัตทิวิหาริกของท่านพระธันหิกะกรุงสาคละอยากจะสึกจึงไปลักผ้าโภคของชาวร้านตลาดมาแล้วได้ลกล่าวกับท่านพระธันหิกะดังนี้ว่ากระผมไม่เป็นพระเสียแล้วจึงศึกละขอรับคุณทําผิดอะไรเล่า กระผมลักผ้าโพกของชาวร้านตลาดท่านพระธนิกะให้นำผ้านั้นมาตีราคาราคาผ้าไม่ถึงห้ามาศท่านพระธนิกะกล่าวว่าเธอไม่ต้องอบัติปาราชิกแล้วได้แสดงธรรมีกระถาให้ฟังภิกษุนั้นยินดียิ่งวงเล็บเรื่องที่ห5 0ปาราชิกสิกขาบทที่สองจบ